เท่านสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ทําทั้งหลาย วันนี้รายการธรรมสู่สันติก็มีโอกาสกลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ซึ่งทางคณะสิทธิ์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ําได้นําเสนอธรรมะสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำเริ่มจัดตั้งรายการธรรมสู่สันติเมื่อปีพุทธศักราช2518โดยมี ท่านอาจารย์มงคลบุตรหรือนายเสริมชัยผลพัฒนาริ์เป็นผู้จัดรายการธรรมสุสันติครั้งแรกออกอากาศทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศต่อมานายเสริมชัยผลพัฒนาริ์หรืออาจารย์มงคลบุตรนั้นได้บรรพชาอุปสมบทณพัทธสีมาวัดปากน้ำผาสีเจริญ กรุงเทพโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์วัดสามพระยาเป็นพระอุปชาและมีสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ แล้วต่อมาก็ได้มาเป็นประถมเจ้าอาวาสที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในขณะนี้เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญที่พระภาวนาวิสุทธิคุณนี้คือประวัติการก่อตั้งรายการธรรมะส่สันติโดยย่อๆซึ่งรายการนี้ยังนําเสนอธรรมะสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำหลังจากอาจารย์มงคลบุตร หรือท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณได้บรระชาอุปสมบทแล้วก็รับหน้าที่เป็นวิทยากรประจำรายการเหมือนเดิมทำหน้าที่ให้ธรรมะแก่ท่านสาธุชนอันจะน้อมนำไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายซึ่งธรรมะนั้นบางคนจะมองว่าไม่เป็ น, เ, ปนเรื่องไม่จาเป็นเป็นเรื่องไม่สาคัญ ขอให้เรามีเงินมีทองใช้ก็เป็นอันใช้ได้ยิ่งอยู่การศึกษาธรรมะนั้นในยามที่บ้านเมืองกำลังระสํมระสายด้วยปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจอาจจะมองว่าไม่จำเป็นแต่จริงๆแล้วธรรมะนี้แหละจำเป็นที่สุดในยามวิกฤตเช่นนี้ที่จะทำให้คนได้มุ่งหันเข้ามาศึกษาสัจธรรมความจริง คือในอย่างเช่นในลักษณะของไตรลักษ์คือความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี้แหละเราจะได้เห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับชีวิตของเราเป็นประจำอย่างเช่นนะเมื่อมีเศรษฐกิจดีนะเดี๋ยวไม่ช้ามันก็เปลี่ยนแปลงไปนั่นมันตกอยู่ในสภาวะความไม่เที่ยงนะแล้วพวกเราผู้หลงหมกมุ่นอยู่ในสภาวะอย่างนั้นไม่ได้มอง ถึงสภาพธรรมเหล่านี้ก็เกิดความทุกข์อกทุกข์ใจเกิดความโทมนัสใจเมื่อจิจการของตัวเองล้มเหลวทำให้ต้องอมีปัญหาทางด้านจิตใจมากมายและผลสุดท้ายเป็นยังไงก็ไม่ใช่ตัวตนของใครที่จะไปยึดถือนะแม้แต่ร่างกายของเราเองยังประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมไม่สามารถที่จะยึดถือเอาเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง นี้แหละการศึกษาธรรม ะ, ระจะทำให้เราเห็นแจ้งในสภาพธรรมเหล่านี้โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกท่านจะต้องร่วมมือกันแก้ไขในปัจจุบันในสังคมปัจจุบันนั้นเยาวชนถูกมอมเมาด้วยสิ่งแวดล้อมอันไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะักนะอย่างเช่นปัญหายาเสพติดซึ่งเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณผู้ก่อตั้ง รายการธรรมะส่สันตินี้ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาของเยาวชนข้อนี้มากท่านจึงมีจิตกรรมในการให้การศึกษาอบรมแจเยาวชนอยู่ตลอดทั้งปีโดยเฉลี่ยแล้วจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งระดับเตรียมอุดมและอุดมศึกษาขึ้นไปก็เข้ามาศึกษาและอบรมธรรม ะ, ะที่วัดหลวงพ่สดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอย่างน้อยเฉลี่ยแล้วเดือนละสองรุ่น นะรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณ400ถึง500ท่านด้วยกันหลวงพ่อท่านจะเน้นหนักเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดกับการพัฒนาเยาวชนป้องกันแก้ไขสิ่งเหล่านั้นด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้อาตมาจะขอนำส่วนหนึ่งของธรรมะบรรยายที่ท่านได้บรรยายให้แก่คณะครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาและท่านผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมได้รับฟังถึง เ ย, ยาวชนไทยกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรับฟังธรรมบัญญายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือเสริมชัยชยมังคโครเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเรื่องเยาวชนไทยกับปัญหายาเสพติดขอเชิญติดตามรับฟังพร้อมกัน เริ่มตั้งแต่การรักษาศีลจาเพาะเรื่องของการรักษาศีลอย่างเดียวนี่ก็มีคุณค่าอย่างสูงในชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์โลกเพราะมนุษย์หรือสัตว์โลกมีความทุกข์เดือดร้อนเป็นเพราะผลของกรรมไม่ดี คือการกระทำไม่ดีทางกายทางวาจาและทางใจกรรไม่ดีทางกายมีอะไรบ้างเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ใครกระทำลงไปแล้วจะมีผล ของกรรมชั่วอย่างนี้ให้เป็นคนขี่โรคอ่อนแออย่างพวกที่เป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่น้อยไปถึงมากและไปจนถึงบางคนอุบัติเหตุอายุสั้นผูกเขาฆ่าตายมั้ง ผูกคอตายเองมัง่งรถชนตายบ้างเครื่องบินตกตายบัง่งเกิดสงครามฆ่ากันตายบ้างเป็นเหตุหรือมีผลมาจากเหตุคือกรรมชั่วทางกายที่มักเป็นผู้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มาตั้งแต่อดีตชาติและก็ต่อต่ อ, ตอมาจนถึงภพชาติปัจจุบันผลกรรมนี่ส่งผลนับภพบนับชาติในทวนเพราะฉะนั้นให้เธอรู้ว่าผลกรรมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรางดเว้นความชั่วอย่างนี้ด้วยการรักษาศีลแม้ข้อแรกข้อที่หนึ่ง ก็แปลว่าเราไม่สร้างกรรมชั่วที่จะเป็นเหตุให้ได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อน ต, อต่อต่อไปในการข้างหน้าอีกแต่อาจจะมีผลกรรมที่เราเคยทำไว้แต่อดีตติดตามคอยให้ผลแก่เรามีอยู่มากน้อยตามส่วนของแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรางดเว้นความชั่วโดยการรักษาสีอย่างนี้นี่ข้อหนึ่งความชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตนี่นะข้อที่สองมีความชั่วทางกายนะลักช่อกะบทคดโกงคนอื่นหรือประกอบอาชีพนิชอบ กบฏคดโกงคนอื่นมากน้อยเพียงไรผลจากกรรมชั่วนั้นจะมาปรากฏให้ผลแก่ผู้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นให้เป็นคนยากจนค้นแค้นถ้ายิ่งไปลักขโมยหรือไปกบฏคดโกงของที่ หรือของบุคคลที่หรือคณะบุคคลที่เขาบริสุทธิ์เช่นของวัดวาอารามของชาติของแผ่นดินอย่างนี้แล้วก็โทษมากหนักลงไปอีกถึงเป็นขอทานและถ้ากบฏโคตรโกงใหญ่ๆแม้ในภพชาตินี้ก็หาแผ่นดินอยู่แทบไม่ได้ เธอจะเห็นว่าพวกกินบ้านโกงเมืองเนี่ยมากๆเข้าก็หาที่อยู่ไม่ได้เหมือนกันถูกเขาขับไล่ถูกเขาถอดถอนจากตำแหน่งอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นผลแต่กรรมชั่วคือกบฏโคดโกงคนอื่นหนักเบาก็ตามกรรมที่ทำและประกอบอาชีพทุจริตหรืออาชีพมิชอบ เช่นพวกทายามาอาชีพมิชอบหรืออาชีพทุจริตเช่นผู้ที่ผลิตหรือทายาเสพติดให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอย่างยามาหรือยาอะไรอะไรก็แล้วแต่ไปถึงแม่สิ่งมืนเมาเช่นเบียร์เหล้า สุราต่างๆล้วนแต่เป็นโทษทั้งสิ้นผู้ที่ประกอบอาชีพอย่างนี้ชื่อว่าอาชีพทุจริตแต่ว่าทุจริตในทางธรรมทางโลกบางทียอมรับเช่นมีรัฐบาลยอมรับให้มีโรงกลั่นสุราเบียแต่ที่แท้เป็นบาปหนัก โทษหนักแก่ผู้กระทาแล้วเอามาขายเหมือนกันกันกบคนที่ทายาเสพติดอย่างอื่นเช่นยา마าฟินเฮโรอีนเหมือนกันทางธรรมเนี่ยหมายความว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมไม่มีใครยกเว้นใครได้พวกขายพวกเผยแพร่ ยามายาขยันยาอะไรก็แล้วแต่ฟินเฮโรอีนเหล้าเบียร์ทั้งนั้นแหละพวกนี้มีโทษหนักนี่เรียกว่าอาชีพทุจริตทางธรรมเนะ้แต่ทางโลกบางทีก็ยอมรับเพราะเห็นแก่ภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในทางธรรมนะ่ะไม่มีข้อยกเว้น พวกที่ทำอย่างนี้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันแม้จะร่ำรวยมีเงินมีทองก็หาความสุขจริงๆไม่ได้ให้มีอันเป็นไปตายไปแล้วมีทุกขติเป็นที่ไปไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์ดีร่าชานบ้างตามกรรม นี่ข้อที่สองเพราะฉะนั้นถ้าใครรักษาสิงข้อนี้ไม่กระบฏคดโกงคนอื่นไม่ประกอบอาชีพทุจริตเราก็ไม่สร้างเวรกรรมให้เกิดโทษความทุกข์เดือดร้อนแก่เราต่อไปอีกข้อที่สามเจตนาประพฤติผิดในกรรมผิดลูกผิดเมียใครก็ไม่รู้แหละ หมกมุ่นในกิเลสกรมสัสศรนในกิเลสกามทั้งหลายเหล่านี้เป็นโทษแม้ในปัจจุบันเธอคงรู้เนี่ยเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ริเอาอย่างฝรัง่งหมกมุ่นในกิเลสกรมเรียนยังไม่จบหัวเท่ากาปัน้นยังแบมือขอเงินจากพ่อแม่ก็ริ อยากจะมีคู่ผลสุดท้ายบางไรายได้เสียกันเข้าผู้หญิงมีทองเรียนก็ยังไม่จบเลี้ยงดูกันก็ไม่ได้บางทีผู้หญิงก็ต้องไปทำแท่งหรือผู้ชายผู้หญิงก็หนักๆเข้าก็แตกแยกกัน อะไรต่างๆนานาชีวิตของผู้ที่หมกมุ่นในกิเลสกามไม่เจริญเป็นเยาวชนก็เรียนไม่สำเร็จเมื่อเรียนไม่สำเร็จเรียนไม่ได้สูงความรู้ไม่มีความสามารถก็ไม่มาเป็นคนไร้ความสามารถปัญญาก็ไม่เกิด โง่เลยทีนี้ความรู้ไม่มีความสามารถไม่มาปัญญาไม่เกิดหากินยังไงไปทุจริตสิก็นำตัวไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนนี่ในชาตินี้นะชาติต่อไปผู้ที่หมกมุ่นในกิเลสกรรมประพฤติผิดในกิเลสกรรมตายไปก็ไปทุกขติ คือที่ไปไม่ดีคือพบภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดิราชานปเดี๋ยวเธอปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วเนี่ยจะให้ดูให้ดูว่าไอ้สุนัขที่มันอยู่ตามเนี่ยต่างๆเนี่ยมันมาจากไหนอดีตอดีตมันเป็นใครนี่ดูได้หรือว่าให้ดูเปรตเปรตเยอะแยะเลย จะได้รู้ว่าเปรตมาจากไหนทำผิดอะไรดูด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าหลวงตาพูดในผิดหรือถูกนี่ความชั่วทางกายยังไม่พูดวาจานะเอาทางกายก่อนและแถมหน่อยอบายามุขเป็นนักเลงผู้หญิงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายนักเลงสุรา ยาเสพติดนี่ยาเสพติดนี่เห็นชัดเจนเลยชาตินี้ก็ไม่รุ่งแล้วเดี๋ยวนี้โทษของยาเสพติดระบาดไปทั่วเพราะไอ้คนที่ประกอบอาชีพทุทริตมันเยอะเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้แต่ทำลายชีวิตเยาวชนและผู้หลง ด้วยความโง่ไปหลงเสพเข้าบันทรกกำลังกายบันทรกกำลังสติปัญญาความสามารถทั้งหมดทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดคือยามานะเบียสุราก็ทั้งนั้นแหละโทษตามส่วนของโทษที่จะเกิดจากยาเสพติดแต่ละอย่างละอย่างไม่เท่ากัน แต่เป็นโทษโดยกันทั้งสิ้นนี่เธอนึกง่ายๆเด็กเยาวชนพอติดยาเสพติดประเภทยา마าเสร็จแล้วสุขภาพร่างกายลงเลยไม่มีขึ้นสติปัญญาก็หมดแบบเดียวกันเรียนไม่สำเร็จความรู้ไม่มีความสามารถใหม่มาปัญญาไม่เกิด เสร็จแล้วไปทำมาหากินอะไรเดี๋ยวนี้พ่อแม่ต้องลำบากลำบากใจกลัวลูกจะไม่พ้นปากเหยียวปากกาเพราะไอายาเสพติดนี่แหละและก็ไอหมกมุ่นในกิเลสกามนี่แหละมันนำไปให้ชั่วได้อีกทุกขนานและชีวิตตกตำ่ำบางคนมีความเป็นอยู่พวกติดยาเสพติดพวกขี้เมา มีอาการที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาเธอไปดูเหมือนอะไรก็ดูเอาเองเดี๋ยวหลงตาพูดไปแล้วมันจะรุนแรงหรือว่าภาษาไม่ดีมันดูไม่ได้บางคนก็เมาเยริเคฆะตามถนนบางคนก็ สิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำไม่กลา้าไม่ควรที่จะน่าจะกล้าทำก็กล้าทำทาความผิดต่อต่อไปได้อีกหลายขนานหลายอย่างแล้วชีวิตจะเหลืออะไรเห็นไหมลนะ่ะนี่โทษของความประพฤติผิดศีลไปจนถึงโทษของอบาบัยมุกเป็นความชั่วนี่ว่าแต่เฉพาะทางกายนะมีโทษอย่างนี้ แต่ถ้าเรารักษาศีลงดเว้นความชั่วเหล่านั้นนี่ว่าแต่เฉพาะเรื่องกายอย่างเดียวเราก็ไม่สร้างเหตุไม่ประกอบเหตุไม่ทําเหตุให้เกิดผลที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปในการข้างหน้านี่มันดีอย่างนี้เอาแค่นี้แหละดีแล้วแค่รักษาศีล นะดีแล้วแต่นี้พูดเรื่องคุณเรื่องโทษคุณของการรักษาศีลโทษของการประพฤติผิดศีลเฉพาะกายทุจริตผิดศีลทางกายทางวาจายังไม่ได้กล่าวแต่ก็คล้ายกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเธอเพียงรักษาศีลเนี่ยเป็นบุญอย่างใหญ่หลวง ทำแล้วเป็นความดีอย่างใหญ่หลวงถ้าเธอรักษาศีลไปอย่างนี้ตลอดชีวิตของเธอก็ดีเอาแค่ศีลห้านี่แหละแต่ตอนนี้รักษาศีลแปดนี่ประเสริฐขึ้นไปอีกเข้าเขตความประพฤติพรหมจรรย์ประเดี๋ยวในโอกาสต่อไปก็จะพูดให้เธอฟังอีกว่าดียังไงแต่ตอนนี้จะพูดเฉพาะเรื่องความไม่ดีของกายทุจริต มีผลอย่างไรแล้วเรารักษาศีลเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรคภัยที่มีเพราะเวนจากกรรมชั่วที่เราทำทางกายให้จำไว้เพราะฉะนั้นต่อไปจะได้พูดเรื่องวาจา เพราะฉะนั้นเธอรักษาศีลนี่กายสงบดีแล้วและก็วาจาจะสงบดีด้วยและต่อไปหลวงตาจะพูดเรื่องสงบใจหรืออบรมใจต่อต่อไปตามลาดับวันนี้ก็คงพูดยาวไม่ดีเพราะว่าพวกเธอคงเมื่อยกันเต็มทีเพราะยังใหม่อยู่วันนี้ก็เลยเอาเท่านี้ว่าวันนี้ หลวงตาได้พูดโทษของการประพฤติผิดศีลหรือกายทุจริตแล้วก็คุณของการรักษาศีลเพียงเท่านี้เป็นความดีอย่างเยี่ยมยอดซึ่งจะนำชีวิตของเธอไปสู่ความเจริญและสันทิสุขไอ้กรรมเก่าเราไปแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราทำกรรมดีเรื่อยไปผลแห่งกรรมดีก็จะส่งเราเรื่อยๆ ให้มีกำลังที่จะพ้นจากกรรมชั่วไปตามลำดับความทุกข์เดือดร้อนก็จะหมดไปความเจริญและสันติสุขในชีวิตก็จะเป็นของเธอเพราะฉะนั้นเธอมาเนี่ยดีมากแล้วเป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วนะอา้าวเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี่หลวงตาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพวกเธอทั้งหลายรวมทั้งพระคุณเจ้า สามเนรทุกท่านให้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีแต่ความคิดถูกเห็นถูกพูดถูกทำถูกตามคนอื่นถูกและก็นำคนอื่นถูกต้องตามทำนองครองทำ ให้เจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบให้สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมิพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถินสาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสุสันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อ พระมหาเสริมชัยชยัมังคลโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีในเรื่องเยาวชนกับปัญหายาเสพติดซึ่งประเดชพระคุณท่านก็ได้ยกเอาเรื่องศีลและข้อปฏิบัติที่เรียกว่ากายทุจริตนะมาแสดงให้เยาวชนได้รับรู้รับฟังเพื่อที่จะไม่ไปหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับสิ่งเสพติด มึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันจะทําให้อนาคตของเยาวชนหรือเด็กๆเสียหายเพราะว่าถ้าใครไปหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็เถอะถ้าหลงมัวเมาหลงติดอยู่ในอบายมุกเหล่านี้ย่อมจะเป็นปากทางแห่งความหยาดหายนะนําความเสื่อมเสียมาสู่ชีวิตมาสู่การงานหน้าที่ อย่างแน่นอนเพราะพระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้จัดเป็นอบายมุขมีอะไรบ้างละ่ะก็มีความเป็นนักเลงผู้หญิงหญิงก็เป็นนักเลงผู้ชายความเป็นนักเลงสุรานะการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันนีนะ้พระองค์ตรัสว่าเป็นอบายมุขข้อที่สก็คือความเป็นนักเลงการพนัน นะติดการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพนะ์เมื่อเสียไปก็นึกอยากจะได้กลับคืนมาก็ทุ่มไปใหม่ทุ่มไปทุ่มไ ป, มไปจนหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยนี่เป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสียทรัพย์สินเงินทองและอันสุดท้ายก็คือข้อที่สี่ก็คือการครบคนชั่วเป็นมิตรสี่ประการ น, นี้พระองค์จัดแสดงไว้ว่าเป็นอบายมุขนะมุขะแปลว่าปากอบาย แปลว่าที่ไปที่ไม่สบายสองคำนี้มารวมกันก็คือปากทางแห่งที่ไปไม่สบายปากทางแห่งความเสื่อมความฉิบหายถ้าใครประพฤติปฏิบัติบ่อยๆเนืองๆจะทําให้ผู้นั้นวิบัติฉิบหายทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศทุกสิ่งทุกอย่างล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายเพราะหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับทางแห่งความเสื่อมนั่นเองฉะนั้น เยาวชนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะจากหลวงตาพระภาวนาวิสุทธิคุณแล้วก็จงน้อมนำไปพินิษพิจารณาจะให้เกิดประโยชน์แม้แต่ผู้ปกครองที่ได้ยินได้ฟังอยู่ก็จงตระหนักถึงปัญหานี้ตอนนี้ท่านมีปัญญาที่จะส่งเสียลูกของท่านให้ร่ำเรียนสูงสูงจบในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีโทรเอกขึ้นไปตามลำดับแต่ว่าถ้าท่านลืมส่งเสริมคุณธรรมการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนหรือบุตรหลานของท่านนั่นแหละจะประสบความล้มเหลวนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะหักเหจากการศึกษาเล่าเรียนไปหลงเพื่อนไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเสพติดยิ่งทุกวันนี้ยาเสพติดที่เกิดขึ้นในใหม่ๆในสังคมวัยรุ่นมีมากมาย วัยรุ่นนั้นก็ติดเพื่อนเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันจะเป็นทางแห่งความเสียหายแก่การเรียนการศึกษาของตนเองอนาคตก็แขวนไว้บนเส้นได้ถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักนาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ดีแล้วนำเข้าสู่บ้านสู่ครอบครัวสู่จิตใจของเยาวชนแล้วแล้วแล้วตัวท่านเองนั่นแหละจะต้องน้ำตาเล็ด เพราะจะมาตรอมใจทีหลังว่าลูกทำไม่ได้ดังใจนะมีเงินส่งเสียก็เอาเงินนั่นแหละเงินของคุณโยมที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนั่นแหละไปทุ่มให้กับอบายามุขเหล่านั้นสิ่งเสพติดเหล่านั้นแล้วตัวเองก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทและทำให้ผู้ปกครองพ่อแม่ญาติพี่น้องเสียอกเสียใจ นี้เป็นปัญหาที่ทุกท่านจะต้องร่วมมือกันแก้ไขไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวนะสถาบันการศึกษาและสถาบันการปกครองจะต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบปัญหานี้อย่างจริงจงจั ง, จงเพราะฉะนั้นคนชั่วก็จะลอยนวลผลิตและจำหน่ายสิ่งที่จะทำให้เยาวชนของเราหมกมุ่นเป็นการมอมเมาเยาวชนของเราให้อนาคต เสื่อมเสียอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียววันนี้รายการธรรมะสุสานดีก็ฝากไว้ให้สาธุชนได้เป็นข้อคิดสกิดใจเพื่อที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าของเยาวชนและได้แก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดจากลูกหลานของเราด้วยอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้ ข อ, ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังธรรมบัญญายจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้มีโชคลาภสวัสดีสุขสมบูรณ์ด้วยผลแห่งทานศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะทุกท่านทุกค น, นเทิดเจริญพร